คำว่าไม่ทำความชอบใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินความว่าไม่ทาความชอบใจความพอใจความรักความกำหนัดคือไม่ยังความชอบใจเป็นต้นให้เกิดขึ้นให้เกิดพร้อมให้เกิดให้บังเกิดเฉพาะในรูปที่เห็นหรือในความหมดจดเพราะรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในความหมดจดเพราะในเพราะเสียงที่ได้ยินหรือในอารมณ์ที่ทราบ หรือในความหมดจดเพราะอารมณ์ที่ทราบฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ทาความชอบใจในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินคิดยังไงคุณบัญชูจะไม่ชอบในสีที่เห็นทั้งหมดในเสียงที่ได้ฟังทั้งหมดในกลิ่นรสโภชภะทั้งหมดในอารมณ์ทั้งมวลเนี่ยทำยังไงจะตัดชั้นทราคาในสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนะต้อ ง, ง, องกรอบรู้อารมณ์เหล่านั้นตามเป็นจริงะนะ่นะ จ, จ, จ, จนกว่าจะตัดชั้นทราคาในสิ่งนั้นได้ ซึ่งความจริงของเขาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นนั่นเองนะนะพวกสมณพราหมณ์ผู้สาาําคัญว่าศีลอุดมคือที่ว่าศีลเนี่ยสุดยอดอะนะก็มีบางลทัทธิที่สําคัญว่าสุดยอดก็คือศีลสมาทานวัดเข้าไปตั้งอยู่ได้กล่าวความหมดจดความสํารวมว่าเราทั้งหลายศึกษาในทิ่ทีแล่นี่แหละและความหมดจดแห่งวัดแห่งวัดนั้นน่ะสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้เข้าถึงพบ และกล่าวว่าเป็นผู้ฉลาดนนก็ยึดถือศีลวัดว่าที่สุดเนี่ยนะใช่ไหมกล่าวความหมดจดด้วยอํานาจทิฐิหรือด้วยอํานาจข้อปฏิบัติที่ตัวเองทําอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะตัวเองเนี่ยจะเข้าถึงภพแล้วก็จะเป็นผู้ฉลาดละประัาณอธิบายว่าคําว่าพวกสมณะพราหมณ์ผู้สําคัญว่าศีลอุดมได้กล่าวความหมดจดด้วยความสํารวม คิดว่าถ้าหากว่าศีลเนี่ยจะทำให้บริสุทธิ์สุดยอดเลยนะไอเสร์มาศีลก็คือศีลทั่วไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงศีลในมรรคผลนะแต่หมายถึงศีลธรรมดาเนี่ยคิดว่าศีลห้าศีลแปดเป็นต้นนี่แหละจะทำให้บริสุทธิ์หมดจดสูงสุดก็เลยถือความบริสุทธิ์ด้วยการสํารวมอยู่แค่รักษาศีลห้า ความว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกพูกล่าวอ้างว่าศีลเนี่ยอุดมคือสูงสุดสมณพราหมณ์พวกนั้นได้กล่าวย่อมกล่าวบอกพูดแสดงแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยเหตุศักว่าศีลด้วยเหตุสักว่าความสำรวมด้วยเหตุสักว่าความระมัดระวังด้วยเหตุศักว่าความไม่ก้าวล่วงเหมือนดังปริภาชก อันะลูกของนางปริภาชิกาชื่อว่าสมณะมุนดิกาไอปริภาชกคนนี้เขาถือว่าดูก่อนช่างไม้เราย่อมบัญญัติปุริสะบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการแลว่าเป็นผู้มีกุศลถึงพร้อมมีกุศลเป็นอย่างยิ่งเป็นพระ้าหาันอันอุดมที่ควรถึงเป็นสมณะเป็นผู้อันใครๆต่อสู้ไม่ได้ ธรรมะสประการเป็นไฉนะดูก่อนช่างไม้บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่ทําบาปกรรมด้วยกายนหนึ่งไม่ทําไม่กล่าววาจาอันลามกหนึ่งย่อมไม่ดําริถึงเหตุที่จะพึงดําริอันลามกหนึ่งย่อมไม่อาศัยชีพ อ, อันลามกเนี่ยเป็นอยู่หนึ่งดูก่อนช่างไม้เราบัญญัติบุริสะบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสประการนี่แหลคือกายวาจาดําริเนี่ยนะอาชีพเนี่ย พราะว่าเป็นผู้มีกุศลถึงพร้อมแล้วมีกุศลเป็นอย่างยิ่งเ ป, เป็นผู้ถึงอรหัตอันอุดมที่ควรถึงเป็นสมณะคือผู้สงบเนี่ยนะเป็นผู้อันใครๆต่อสู้ไม่ได้ฉันใดก็มีสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวอ้างว่าศีเนี่ยอุดมสมณะพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวย่อมกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษ ค, ความพ้นรอบด้วยเหตุศักว่าศีล ด้วยเหตุสักว่าความสำรวมด้วยเหตุสักว่าความระวังด้วยเหตุสักว่าความไม่ล่วงฉะนั้นก็ถือว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวจะทําให้บริสุทธิ์อยังไงมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมล่ะก็ไม่จริงเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราไม่ถือเอาของของใครอย่างเดียวจะทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าส ม, มณพราหมณ์ผู้สําคัญว่าศีลเนี่ยอุดมกล่าวความหมดจดด้วยความสำรวม น, นะรักษาศีลอย่างเดียวบรรลุไม่ได้หรอกนะแค่ศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะ คำว่าวัดเนี่ยนะบางพวกก็ถือว่าสมาทานวัดคือแล้วก็ทำให้บรรลุได้ทำให้พ้นทุกข์ได้นะก็สมาทานวัดคือสมาทานถือเอารับยึดมั่นถือมั่นซึ่งหัตถิวัดเรียกว่าทำตัวเหมือนช้างเนี่ยนะอสสวัดทำตัวเหมือนม้าโควัดทำตัวเหมือนโคอัชวัดก็ทำตัวเหมือนแพะกุกุระวัดทำตัวเหมือนหมากากระวัดก็เหมือนกาวาสุเทพเทววัดก็ เรีว่าประพฤติวัดนับถือเทวดาวาสุเทพปุณกกะพัทธวัดมณิพั์ธวัดอัคคีวัดนาควัดสุบรนนวัดนาครุษนะนียยักษวัดอสูรวัดคันธพวัดมหาราชวัดจันทวัดสุริยวัดอินทวัดพรหมวัดเทววัดทิศวัดแล้วเข้าไปตั้งอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะพวพรรู้เข้าถึงติดใจน้อมใจไปจึงชื่อว่าสมาทานวัดแล้วก็ตั้งอยู่คือยึดถือวัดข้อปฏิบัติที่ตัวเองทำเนี่ยนะ บางพวกก็ถือวัดเนี่ยในการอาบน้ําอยู่นั่นแหละนะก็ถือว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบนา้ําด้วยการปัดกวาดเช็ดถูก็อยู่ได้อยังงั้นแหละอันพวกนี้ก็ถือว่าการอาบนา้ําการปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยจะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะบางพวกก็ถือว่าไอระเบียบข้อประพฤติเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูกดระเบียบต่าง ๆ, างางๆการยืนการเดินการนั่งอถือไว้ way, ยังงี้จะทําให้บริสุทธิ์นั่นแหละคําว่าทิฐิในคําว่าเราทั้งหลายศึกษาทิฏฐินี่แหละความ และความหมดจดแห่งวัดความว่าศึกษาป ร, enga, ciendo, ประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเต็มใจสมาทานแล้วประพฤติในทิฏฐิ ül, ความควรความชอบใจลัทธิของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าศึกษาในทิฏฐินี่แหละคาว่าและความหมดจดแห่งวัดนั้นอ่ะความว่าและความหมดจด канал. ความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบแห่งวัดนั้นอ่ะจึงชื่อว่าศึกษาในทิฏฐินี่แหละและความหมดจดแห่งวัดเนี่ยนะก็ เรียว่ายึดถือในลัฐที่และข้อปฏิบัติของตนของตนเนี่ยนะจริงพวกนี้ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการเช็คตัวเองเลยนะ ค, คือขาดการใคร่ครวนอ่ะนะก็เหมือนกับว่าทำมาค้าขายไม่เคยเอาผลไม่เคยเอายอดมาวัดมาพิจารณาอะไรเลยนะแทบจะหมดตัวอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวอย่างนั้นแหละคําว่าเป็นผู้เข้าถึงพบในคำว่าเป็นผู้เข้าถึงพบและกล่าวว่าเป็นผู้ฉลาดความว่าเป็นผู้เข้าถึงพบ เข้าไปใกล้พบติดใจในพบน้อมใจไปในพบเขาน้อมใจไปในดินแดนแห่งหนึ่งเนี่ยนะดินแดนแห่งหนึ่งดินแดนไหนดีคุณผู้ชมเนี่ยนะอยู่ตรงไหนดินแดนนั้นอนะ้ก็สร้างจินตนาการใช่ไหมสร้างแดนสวรรค์แดนนิพพานขึ้นของตัวเองขึ้นเนะี่กนะก็จิตเนี่ยน้อมไปอย่างนั้นนหะคาว่า และกล่าวว่าเป็นผู้ฉลาดคือเป็นผู้มีวาทะว่าเป็นผู้ฉลาดมีวาทะว่าเป็นบัณฑิตมีวาทะว่าเป็นทีรชนมีวาทะว่าเป็นผู้มียานมีวาทะโดยเหตุมีวาทะโดยลักษณะมีวาทะโดยกรณะมีวาทะโดยฐานะโดยลัตที่ของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพบและกล่าวเป็นผู้ฉลาดก็คือมีสมณพราหมณ์ที่สําคัญวสีเนี่ยสูงสุดสมาทานวัดแล้วเข้าไปตั้งอยู่ กล่าวความหมดจดด้วยความสํารวมว่าเราทั้งหลายศึกษาในทิฏฐินี้แล้วและความหมดจดแห่งวัดสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เข้าถึงพบและกล่าวว่าเป็นผู้ฉลาดนะคิดแต่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ฉลาดละนะถ้าบุคคลเป็นผู้เคลื่อนจากศีลและพลดบุคคลพลาดกรรมแล้วย่อมหวั่นไหวย่อมเพ้อถึงและปรารถนาถึงความหมดจดเหมือนบุรุษผู้ออกจากเรือน ไปตามไม่ทันพวกฉะนั้น น, น, นะก็พวกที่ถือว่าศีลเป็นสาระเป็นต้นใช่ไหมถ้าศีลขาดจะว่างไง ถ, ถือว่าโอ้ยศีล น, นี่แหละสุดยอดศีล น, นี่แหละคือสาระานะวัดนี่แหละสุดยอดวัดนี่แหละคือสาระทําอย่างนี้ไปเถอะทีนี้ถ้าศีลขาดอะ่ะคือถ้าบุคคลเป็นผู้เคลื่อนจากศีลแล้วพลดความว่าบุคคลย่อมเคลื่อนจากศีลและพลดเนี่ยเพราะเหตุสองประการคือย่อมเคลื่อนเพราะความชี้ขาดของผู้อื่น และไม่บรรลุจึงเคลื่อนความว่าถามว่าบุคคลย่อมเคลื่อนเพราะเป็นผู้ชี้ขาดของผู้อื่นอย่างไรคือย่อมชี้ผู้อื่นย่อมชี้ขาดว่าศาสดานั้นน่ะไม่เป็นสัพพัญยุธรรมะอันศาสดานั้นกล่าวไว้ไม่ดีโมคณนะไม่ปฏิบัติ ด, ดีทิฐิไม่เจริญปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติไม่ดีมักไม่นําออกจากทุกข ความหมดจดก็ดีความหมดจดวิเศษก็ดีความหมดจดรอบก็ดีความพ้นความพ in, ้นวิเศษความพ้นรอบไม่มีในธรรมนั้นนะมีคนอื่นเขามาชี้ให้น ouais ะเขามาเป็นกรรมการตัดสินใจให้มันไม่ใช่หรอกว่ากันชนทั้งหลายย่อมไม่หมดจดไม่หมดจดวิเศษไม่หมดจดรอบไม่พ้นไม่พ้นวิเศษไม่พ้นรอบในธรรมนั้นมันบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกหลุดพ้นไม่ได้หรอก ก็คือเป็นผู้เลวสามตำช้าสกปรกตำต้อยผู้อื่นก็ชี้ขาดอย่างนี้นะว่าเลวมากสามใช้ไม่ได้หรอกสกปรกเหมือนนบุคคลอื่นบุคคลนั้นเมื่อบุคคลอื side, ่นชี้ขาดอย่างนี้ก็ย่อมเคลื่อนจากศาสดาเลิกเลยนะเลิกนับถือศาสดานั้นเลยเลิกนับถือธรรมะที่ศาสดากล่าวเลิกนับถือหมู่คณะเลิกนับถือท right. ี่ฐิเคลื่อนจากปฏิปทาเคลื่อนจากมัจเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยเคลื่อนเพราะความชี้ขาดของผู้อื่นถูกคนอื่นเขาชี้แนะชี้นำก็เลย เลิกเลยนะนะหรือว่าบางทีไม่บรรลุเองก็ย่อมเคลื่อนความว่าบุคคลไม่บรรลุศีลเคลื่อนจากศีลไม่บรรลุพรตเคลื่อนจากพรตไม่บรรลุศีลและพรตก็เคลื่อนจากศีลพรตเพราะฉะนั้นบุคคลไม่บรรลุเคลื่อนอย่างนี้ก็จริงอนะนะอย่างลัทธิทั้งหลายแหละเนี่ยนะเช่นนะอย่างยกตัวอย่างอย่างสมมติคูมบุญชูไปปฏิบัติอะไรมาเนี่ยนะไปปฏิบัติเสร็จแล้วคนอื่นมาชี้ไม่ใช่นะ ก็หลุดเองอะนะอันนี้ในหนึ่งในที่สองเขบอกไปทําเองแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้มีผลก็เลยเลิกเองอะลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าเคลื่อนจากศีลและพรตเคลื่อนจากหลักการอันนั้นเนี่ยนะคาว่าบุคคล น, นั้นย่อมวันไหวความว่าบุคคล น, นั้นพลาดกรรมแล้วย่อมวันไหวความว่าความวันไหวสะทกสะท้านอยู่ว่าศีลก็ดีพรตก็ดีศีลและพรตก็ดีเราผิดพลาดคลาดไปแล้วเนี่ยนะพอทําไปแล้วมันคลาดเคลื่อนใช่ไหม เราเนี่ยพลังพลาดจากอรหัตผลคือเขาถือว่าไอ้ศีลและพจนของเขาเนี่ยมันทําให้เป็นธาตุหันบอกโอเราเนี่พลาดจากอรหันแล้วเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นก็หวั่นไหวคําว่าพลาดกรรมคือบุคคล น, นั้นย่อมหวั่นไหวสะทกสะทานอยู่ว่าปุญญาพิสังขารก็ดีอปุญญาภิสังขารก็ดีอานินชาพิสังขารก็ดีเราพลังพลาดคลาดไปแล้วเราพลังพลาดจากอรหัตผลคือเขาถือไอ้กุศลอกุศลเหล่านั้นนะว่าเป็น อรหัตผลของเขาเมื่อทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ถือว่าตัวเองนี้พลาดจากอรหัตผลอย่างเช่นบางพวกถือว่าชานเนี่ยเป็นอรหัตผลเนี่ยเมื่อเข้าชานไม่ได้ก็เลยถือว่าตัวเองนี่เสื่อมจากอรหัตผลเข้านะหรือว่าถือว่าศีลที่ตัวเองรักษาเนี่ยเป็นอรหัตผลทีนี้ว่าศีลขาดหรือเคลื่อนจากศีลอ้าเราเนี้เสื่อมจากอรหัตผลอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคว่าย่อมเพ้อถึงความว่า ในคําว่าย่อมเพ้อถึงและปรารถนาซึ่งความหมดจดความว่าย่อมเพ้อถึงรำพันถึงใฝ่ฝันถึงศีลบ้างพรตบ้างถึงศีลถึงพรตฉะนั้นจึงชื่อว่าเพ้อถึงเพ้อถึงอนะที่ตัวเองเคยทําำนะคําว่าปรารถนาถึงความหมดจดคําว่าอธิบายว่าปรารถนาชอบใจใฝ่ายฝันถึงความหมดจดเพราะศีลถึงความหมดจดเพราะพรตถึงความหมดจดเพราะศีลและพรตก็เลย เพ้อถึงปรารถนาะถึงความหมดจดนะนะอยากจะปฏิบัติอันนั้นนะ่ะคิดว่าอันนั้นมันจะทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ได้คำว่าเหมือนบุรุษผู้ออกจากเรือนตามไปไม่ทันพวกเคยไหไปแล้วไม่ทันพวกเขาเลยนะลักษณะนั้นอนะฉะนั้นผู้ที่เคลื่อนจากศีลหรือวัดที่ตัวเองปฏิบัติก็เหมือนกันเนี่ย น, นะความว่า บุรุษผู้ออกจากเรือนอยู่กับพวกย่อมติดตามพวกนั้นไปหรือว่าย่อมกลับมาเรือนของตนฉันใดบุคคล น, นั้นผู้ดำเนินไปโดยทิฏฐิย่อมถือยึดมั่นถือมั่นซึ่งศาสดานั้นหรือศาสดาอื่นเยืะจากศาสดาหนึ่งไปให้อีกศาสดาหนึ่งนะธรรมะ ที่ศาสดานั้นหรือธรรมะที่ศาสดาอื่นบอกหมู่คณะนั้นหรือหมู่คณะอื่นที่ตินั้นหรือที่ทิอื่นปฏิปทานั้นหรือปฏิปทาอื่นมักนั้นหรือมักอื่นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าเหมือนบุรุษออกจากเรือนไปไม่ทันพวกฉะนั้นฉะนั้นสรุปว่าพวกที่เคลื่อนจากศีลจากพลดเนี่ยนะก็เลยถือว่าตัวเองเนี่ยพลาดจาก ข้อปฏิบัติพลากจากกรรมอันนั้นแลว้วก็เลยหวั่นไหวก็เลยเพ้อปรานาความหมดจดนะนะอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นให้หมันบริสุทธิ์คิดว่าอย่างนั้นบริสุทธิ์ก็เลยเสียใจเหมือนคนที่ออกจากเรือนไปไม่ทันพวกฉะนั้นก็ต้องกลับมานะพระอริยาสาวกเนี่ยละศีลและพรตทั้งปวงเนี่ยพระอริยเนี่ยท่านละหมดนะนะี ละกรรมอันเป็นสาวัตชกรรมและอนัวัตชกรรมคือละกรรมมีโทษและกรรมไม่มีโทษไม่ปรารถนาความหมดจดและความไม่หมดจดเป็นผู้พ้นแล้วไม่ยึดถือทิฏฐิที่มีอยู่พึงประพฤติไปอันนี้ก็คุณธรรมของพระอรหันต์คือพระอรหันต์เนี่ยท่านละศีลละพรตพรตก็คือวัด น, นะว่าละเว้นบรรเทาทำให้สิ้นให้ถึงความไม่มีซึ่งความหมดจดเพราะศีลทั้งหมด ความหมดจดเพราะพรตทั้งหมดความหมดจดเพราะศีลและพรตทั้งหมดเนี่ยนะคือท่านไม่ได้สําคัญว่าศีลกับพรตในรักษาศีลหรือประพฤติวัดอย่างเดียวจะทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ท่านก็ละไอความเข้าใจผิดอรซะ